สองอย่างในโจมเข้าใจที่อธะบายเทศมีสองประการเราจะฟังยังไงอ่ะนะอังนี้ก็ได้ทอดเทศแบบต้มยำก่อน นะเ อ, อ้วก็เดี๋ยวประเทศแบบปลาย่างก็ได้เอาสองกันทีเดียวเลย <c oughs> คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่อนให้ทำทานอันนีแบบแบบต้มยำนะบอกให้ก่อนเพื่อ เราเกิดมาถ้าต่อต่อไว้มันไม่จนว่อไม่จนหรอกคนให้ทำจนมีไหนพระพุทธเจ้าท่านทตัดไว้เมื่อวานเลิกงานแล้วเนี่ยงานพระโัก็มีอัตมาเดินไปตรวจงานเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบไปนอนอ้แอที่โล่งๆเนี่ยที่มีที่หมามานอนไปนอนร่วมกับหมา ให้เราพิจนาเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มียอยู่ไม่มีหรอกนอนอยู่อย่างนั้ น, นอ่ะเรื่อกกนว่าเข้าใจว่าสุนัขนอนนะถ้าไปดูมัน ม, ม, มันไม่ใช่หรอกก็ยังสั่งกันนึกว่าสมัยก่อนเขาไม่เคยได้ให้ทานเป็นคนเต็มีที่เหนียวไม่เคยสงเคราะห์ใครเลยเยขาอาจจะไม่นเจตเศษีเศษรถีก็ได้สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ ที่เป็นอย่างนี้ที่อันมาพูดมาใจเห็นเองเพราะพูดเจ้าท่านตัดว่าอย่างนี้ตรัสว่าอย่างนี้อ่ะคนไม่เคยให้ทานไม่เคยสงครอบคนเนี่ยอคนยากจนแล้วคนเนี่ยพี่ที่มีรูปบ้างอับปรักักนี่เคยเห็นมไหมเจอแล้วไม่สบายใจเลยไม่สบายตาไม่อยากมองทั้งดําทั้งต่ําอำฟันปุ้นเยอะ ผมเหยียดดูแล้วไม่สบายใจมาอยากมองออนี่อันเหงสผของการโกรธคนโกรธเกิดมาเป็นงั้นอัอนเหตุผลของการเกิดเท่ห <c oughs> ลาพอรูปรัางอัปปะรักเนี่ยยังไม่พ อ, อยังยากจนอีกอยากจนนี้ไม่ได้ให้ทาน ไม่ได้ถ้าไม่ทาทาทนเล ย, ย, ย, ย, ยคัะท่านสูนักไม่แมวไม่กินท่านเห็นคนยากคนจนก็เบินหน้าหนีไม่อยากคุยไม่อยากให้ทานแล้วเกิดในกุนต่ํามลงเข้าใจกุนตําเข้าใจนะกุนต่ําอสามอย่างเนี่ยมีใครชอบโลภร่างอภรรษ ไม่มีกินหน่อยมีใช่บ้านก็ไม่มีอยู่ที่น้อยก็ไม่มีไหนยังเกิดในสกุกลต่ำหนึ่งไอ้ที่เป็นอย่างนี้ยมันเป็นเรื่องของกเกเรตในตัวตัวเรามันพาให้เรามาล่มโจมอย่างนี้ความโกรธระวังนะอ่าแล้วก็พี่ถึงโกรธก็อย่าให้ออกมาข้างนอกเข้าใจไหมเขาอยู่ในใจนะอย่าให้เกิดอยู่อยู่มาก้านอกให้อยู่ในใจใเฉยๆไม่ชัดเจนอะไร ถ้ามันออกมาทางมืออะไรจะพ่ายเลยนะมีปืนมาลนะันโอ้ยข้าเขาติดตะลังท้าออกมาเขาปากสีคดำพูดตาเขาว่าเขาท้าออกมาทางขา ม, าาขามก็ต่อเตะเขาอ่ายัยขัอยู่ข้ า, างไในเปรียบเหมือนเอราไหมเหมัอนกุจอระของเราอยู่ในในตัวไม่เป็นไรนะอย่ออกมานะท้อออกมาเนี่ยอยู่กันไม่ได้งนะั้นไม่อยู่ในนั้นอ่าถ้าเปรียบให้ฟังนะดังนั้นว่า คนที่จะอยากจะสวยนี่นะไม่ยากผู้มีปกติอ่อนน้อมแต่ผู้ใหญ่เป็นเนเนี่ยอ่อนน้อมคือว่าอ่าเราก็อยากไปแข็งเห็นผู้ผใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้เข า, าทำตัวอ่อนน้อมผู้ใหญ่ออ่พอรอปีะการเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกให้ฟัง เป็นคนอย่างนี้นอนต่อพี่ใหญ่เป็นนิดแต่ทุกคนเนี่ยอยากดีเท่านั้นอยากจะมีรถบ้างสวยอยากจะรวยอยากจะเป็นคนร้ดับสูงใช่ไหมแต่ฉันไม่อยากทําเป็นเรื่องของเกลียดเป็นตรงคำฉันไม่อยากทํำฉันอยากเป็นแต่ฉันไม่อยากทําฉันอยากจะได้ผลแต่ฉันยัไม่อยากทําำก็ดูดิพวกอ่านง่ายๆเห็นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยที่โมทำงานนะ่ะมันมีมากวานะมากว่านี้นะมากกว่าแต่คนที่จะมาสนใจาธรรมามมีเท่านี้เอาง่ายๆแล้วกันมีเท่านี้มหละตอนนี้ตอนนี้ว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่มันต้องมีบุญนะ คือต้องมีสินห้าเป็นปกติถึงได้เกิดมาเป็นคนพอเกิดมาเป็นคนก็มีหลายหลายชั้นหลายตำแหน่งคนจนคนวรวยคนปากลางมีทั้งนั้นคนพิการมีทั้งนั้นในเรื่องกรรมเก่าที่เขาสร้างมาเ <c oughs> คยอาอตมาเคยไปเทศให้คนที่เมาฟังนะบอกคนเนี่ยถ้าไม่มีสินห้า ถ้าไม่มีสินห้าเลยนะสู้สุนักไม่ได้โยมข้าวอาจารย์เป็นไงสู้แบบก็สู้ไม่ได้สุนักมันยังรักษาสินสองข้อได้หนึ่งชั่รามันไม่กินสองโกหกมันมันไม่เคยโกหกเลย น, นะเธอเจอมันเหา่าถ้าไม่เจวนั้นไม่เหา่าถ้าหากพกเธอเนี่ยรักษาสินห้าไม่ได้แสดงสุนักดีกว่ามันยังรักษาได้สองข้อมารักษาจนตายอตอนที่เรารักษาสินห้าเนี่ย เราต้องรักษาให้ดีนะถ้าเรารักษาสินท่าเนี่ยหนึ่งวันกับคืนหนึ่งรักษาดีร้อยเปเซ็นตะยังดีกว่า้พวกที่รักษาสินท่าไม่ดีร้อยเปมาอยู่ร้อยปีกับชั่เราไม่ได้อล้ท่านเปรียบเหมือนว่าพรามีทองคําอยู่สองกิโลไรพวกนั้นอนะ่ะมีหินมีทรายรถสิบลออ่นะขาว่าราคาใครจะมากกว่ากันก็สู้ยทองคําไม่ได้ เราพยายามรักษาสินให้ดีอืมพยายามเท่าที่จะดีได้วันกับคืนหนึงนงห่งแล้วเก <c oughs> ี่ยวหวังกันแล้วแต่สินเนี่ยมันปิดอามายภูมิได้แต่ทานปิดไม่ได้ในยอมไม่ได้ขนาดคนทําทานคนรวยเยอะๆไม่มีสินนลงนี่มันเป็นยังไง <c oughs> เรามีอํานาจเนี่ยสามารถจะไม่พอใจกับสั่งข้าก็เลยอืม เห็นมาเจ้าพ่อเยอะๆผ้าไม่พ อ, อใจแล้วแย่งที่ดินเงี้ยอะไรกันแย่งกันเป็นเจ้าพ่ออะไรฆ่ากันตายไมไ่อะไรเพราะไม่มีศีลควบคุมเราต้องมีศีลควบคุมไว้ไม่เป็นไรเพราะศีนไม่ติดอบายภูมิได้ไม่ไปเนาะแล้วไม่เกิดเป็นสายเดียรฉานเด็ดขาดแน่นอนอ่าเปลี่ยนเมื่อไรอ่าเหมือนนั่นแหละรเราเนี่ยต้องมีผ้านุ่ง พอปิดเอาไว้ระไวใช่ไหมถ้าไม่มีผ้านุงไปไงเดินไปเนี่ยคนมังมีสินเหมือนกันนะโยมต้องมีสินควบคุมจึงเป็นมนุษย์ถึงจะรวยถึงขนาดไหนก็นแล้วแต่ผ้าไม่มีเส้นคุมไม่มีเส้นแล้วลำบากยากยากมากทะนั้นว่าเขาจะบอกว่าทำทานรักษาสินด้วย ใช่มเมืม่อทําทานเนี่เราจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากกลํารวยอืรักษาศีลเนี่ยไม่ไปอบายแล้วรูปบ้างก็สวยรักษาศีลเมืเ่อเราทําทานเรามีสมบัติมากโอ้สมบัติมากมายแล้วมีศีลด้วยก็ควบคมุมไม่ให้เราทําความชั่วอแต่ว่ายังไม่ดี ต้องมีปัญญาอย่างขึงคนรวยมีสมบัติมากไม่มีปัญญาเพื่อนเราก็ไปหมกคนเขาหลอเอาทรัพย์สินไปหมดต้องมีภาวนาภาวนาให้เกิปัญญาปัญญาเนี่ยสาคัญปัญญามีสองอย่างโลภิยาปัญญากะก็เราอุตรภาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการเรียนที่เป็นโลกุงเตอร์อะไรนั้นเรียกว่าปัญญา เกิดจากการเรียนอแต่ปัญญาที่เกิดจักการภานานี่มันพิเศษฝรั่งนั่นยงมันพิเศษฝรั่งนั่นมันสามารถที่จะไปที่พานได้อแต่ปัญญาโลกิยาธรรมถ้าควกคุมไม่ดีจาไม่มีถิ่นไม่มีถิ่นนะบางที่็อยู่ในคุกในรางก็มีคนที่ติดคุกติดลางเนี่ย เขามีปวามรเยอะๆนะไปเจ็ดนะเป็นด็อกเตอร์เป็นจบปัญญาทีเยอะๆันพ่อมันมีเสียควบคุมแล้วคนที่มีปัญญาทางธรรมอย่างพวกโยรักเนรษย์ในเสียธรรมเอเจคุกก็ไม่ ม, เมีเพราะเขาไม่ข้อเสียงคุมอยู่ <c oughs> <c oughs> คือปัญญานะ่ะมันเป็นของที่ว่าลึกซึ้งมาก อาจจะมาจะเล่านิทานนโยมฟังนะอันนี้เรียกว่าต้องมีน้ำด้วย <c oughs> อีกคนหนึ่งมีฤทธิ์มากอีกคนมนปัญญามากสู้กันฆ่าเอาพราของไหนจะจักรณะกานนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ฟังนะ อ, อุปมาให้ฟังเหมือนกับว่ามีสิ่งโตตัวหนึ่งราจะสีหนึ่ง มันอยู่ในป่าทำไมก่อนลํามันร้องในสิบห้าวันมาร้องทีใครได้ยินเสียงมันน่ตายหมดอามันมีฤทธิ์มากอ่ตอนนี้ทำไงพอรัฐาสีส้ อ, องเขาก็เอาดินเอาอะไรมาอุดให้หมดอุดหูอุดอะไรตอนนี้กระเดิดร้อนพระราชาก็าจะทำไงประชาชนมา ลองพระราชาจะทำยังไงดีพระราชาได้ประกาศถ้าใครฆ่าจะเสียตัวนี้ได้จะแบ่งเมือไม่ครึ่งหนึ่งพระชาเป็นประกาศต้องไม่มีใครใครจะฆ่ามันจะมาลองที่ก็ตายแล้วก็มีลูกเขียดน้อยแต่ของเขียนมีบัญญานะใครรู้จะเขียดมากตัวขนาดนี้ยำไม่มเถียบลอกแอปแอปแอเอาเล็กไป น, นิ่งก้อยมันไปหาพระราชามันแบอกว่า มันอาสาจะไปฆ่าชินด้วยตัวเองแต่ขุยเคียนนี้ปัญญาพระราชาก็บอกเฮ้ย hey, งั้นมึงตัวขนาดนี้ไปฆ่าอะไรขนาดช้างี้ยยังยังกลัวแล้วจะถีาแล้วมึงตัวขนาดนี้มึงจะทำไงเฮ้ hey, เคียดบอกผมไม่ได้ฆ่าผมฆ่าด้วยปัญญาเหมือนนเพราะพระเจ้าให้เราจะศีมันมีฤทธิ์ฤทธิ์จะไม่กลัวเคียดบอกฤทธิ์โ่ปัญญาไม่ได้ ถ้าตกลงไปไอเ้เขียดตไปหาฤาษีตัดไปหาพระราษฎร์บอกว่าอีกเจ็ดวันเรามาสู้กันใครแพ้ไปแค่นะัให้ให้รู้กันเพระอาทิีบอกให้ตัวมันขนาดนี้ขนาดช้างตีเงินเสียงกูกระจายมันขนาดนี้แล้วเขียงบอกเออไม่เป็นไรให้ไปสู้กันขอให้พระอาทิีมาในที่อยู่ของเราเขียดบอกงั้นเราจะฆ่าตัวเองว่างั้นลูกยอมเลือดมึงค่ายังไงอ้าว พอถึงว่านัดมาพรอศีก็มาเขียนตัวเล็กก็อยู่บนใบมือเพราะล้ีเวลามันรองมันหน้าปากมันเคก็โดดลงมัไม่สะดื้อเลยพอลองเสร็จแล้วเขยมันขึ้นมานั่งใบมืออีกแล้วลีมันยังไม่ตายเพราะล้อศีร้องึนขาดใจตายเลยพระที่ใต้นี่เรื่องปัญญาเนี่ยอ่ามา ที่อะที่อัตมาพูดให้ฟังนี่นะพระเจ้าจถีคือใครรู้ไหมอ่ามีใครรู้บ้างคือคนพ่านคนหาเรื่องอ่าคนเมากคนหาเรื่องกบคือว่าเมือเ่อาเจออย่างนี้เราหลบไปเลยหนีไปอ่ะนีไปนะเข้าใจไหมเนี่ยอุ ป, ปมาพูด้ฟังนีไปนะพระเด็นมันกระโดดคนอื่นเล่นได้นีไปนะเหล็กเลี่ยงคนพ่านเนี่ย เขาเจ้าคบบันดิตแห่งเหลี่ยงกงื่อนพานเนี่ยนี่ละเราเป็นเขียร น, น้อยดีละหลูบเลี่ยงกัื่นพานไอ้พวกนักเลงไอ้พวกอนาพานเนี่ยโอ้นั่นไอ้พวกว่าเราจะสียโอ้ยว่าเราเนี่เป็นนักเกลงยกพวกตีกันเคยเห็นมาว่าเดือดคุกเตือดร้างไงตายไงก็มีนี่อยากเคยไปฟังปุ๊ประมาให้โ ย, ยงฟังเราต้องใช้ปัญญาอะไรกิดขึ้นอืม นี่ขยายไหมเนี่ยอ่านี่แล้วก็เทศแบบต้มยำต้องไม่ไดีทานเทศไห้ฟังงั้นคนไม่เคยฟังอมันต้มแซ่บเท่มากหลับแบบวอ่ออานไปด้วยกันนะเทศแบบแบบต้มยำแต่นี้ต่อไปจะเทศเรื่องปลาย่างไก่ ย, ย่างน ะ, ะ, ะ, ะคือว่าเรานะ่ะในตัวแลนนยอม มีของวิเศษฉะนั้นว่าเรื่องสมาธินี่สำคัญมากมทำสมาธินี่ให้เกิดขึ้นในตัวเราในตัวเราแล้วของวิเศษอยู่ในตัวเราเราต้องออกมาใช้จอมเรือของวิเศษมีอะไรบ้างหนึ่งวิปัฒนายา ร, รู้แจ้งในสังขารทั้งเราพอจิตสงบแล้วนะสองมโนวิธี มีลธิทางใจเนี่ยเราจะนึกให้เราไมา่เป็นอะไรนึกใจเป็นเรืกก่องเป็ี่ยนหมดทางใจนึกเฉ ย, ยเฉยเฉยนึกจังงอนมันก็เป็นอย่างนั้นอเรียกว่าให้คนมาหาเราเนี่ยมันมองเห็นแล้วมันก็มองไม่เห็นนึกว่าเราอยู่ในเนี้ให้คนมาหาเราให้ให้มันมองเห็นแล้วเป็นเสือจะกินมันก็ก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกทางใจแล้วก็อีกที่อีอที่วิธีสแสดงฤทธิ์ได้คนเดียวเนี่ย เราสามารถในนิที่เป็นหลายคนก็นได้ตัวเราให้เป็นคนแก่ก็ได้ให้เป็นเสือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะกรต่อไปโหทิศสามารถจะฟังเสียงกายทางกาได้ฟังเทวดาคุณก็ได้ฟังใครก็ได้ทั้งนั้นมันอยู่เมอ้มมเมริกาตอนนึกแต้คนนี้พื่อหลาเดือนนี้ฟังได้ยินเลยาตาทิศอีกธรรมอาทิตาทิศเนี่ยสามองจะมองเห็นได้ เทวดาเห็นเห็นอะไรอย่างนั้นเจ้าปราชญ์นาหเห็นพรมเห็นอัไรัด้อยงนั้นก็มันเห็นได้แล้วต่อไปก็มาอีกทีก็หมายความใหม่อีข้อหนึ่งรู้ใจผู อ, อื่นตัวตัววาปธยา น, นยคนนีคิดอะไรก็รู้สัตว์มันคิดอะไรก็รู้ไม่อยากทำอะไรลดทั้งนั้น แล้วก็อาตวขยานรู้จักทำเยะให้ทิ้นไปเนื่อมาแปรจะไม่มอยู่ในตัวเราแต่เราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาไม่ทำให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้สีไอ้แปดอย่างเนี้ยมันต้องเกิดจากสมาธิสงบมันจึงจึงจะมีขึ้นได้ก็ไม่มีครูบาอาจารย์บางทีเราไปทารุแล้วเมือ่อวันหนึ่งพศ2590 14 15 16 1 พศ2503อาดาวเนี่ยพระเจ้าลงพิมพมหาเมกุดไปซื้อเล่มสือบาลีมาจะไปเรียนมหาที่เชียงใหม่ห่อกระดาษไปอย่างดีเนยะหอกระดาษเขียนดา้านตอนนี้ก็บอกอาจารย์ฟั่นมาที่วัดไัยบางคนนะไปกลาวอาจารย์ฟั่นกันเราก็ไม่รู้จักอาจารย์ฟัน่นนักใหม่พออย่างไรทางการทางคุยหันมาไอ้บาลีไม่ต้อง เ, เ, เรียนนล้วห่อเด็กเกศอาไรมาเนะ พราะถ้าหากเรียนจบมันรู้หมดทั้งสามโลกจะไปไหนก็ได้พันตไปเรียนหนัเสือเวลาทา่านบอกกันท่านรู้ยังไงหออกระดาษมอนตานี่หันหมใดใจเลยพล้ก็สอนพระว่าสานเราเกย์สอนรมาให้เราเป็นพานในหามันตาตกใจทําไมตกใจพูดเหรอเมื่อเคยเห็นนี่โ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอตกใจมากเลยเราก็อยากจะพูลกับท่านนะแต่ว่าพอติดต่อเชียงใหม่จะเรียนหนังสืออยแล้วเดี๋ยวเราจะเสียคําพูดถ้าหั้นเราก็พูลกับท่านเลย เราก็ทำไมกันเรื่องใส่ท่านไม่มีอะไรถ้าตั้งให้มีถวายก็มีแต่พาท่านพอดีในย่ากล้วงถวายจันทร์พอนเหมือนเลยพอถวายปันญายมประจานเศรษฐกุลเขาก็กูเข้ามาหาท่านท่าน่อเฮ้ยแต่เพิงมีเจ้าของยังอยู่ถ้าเจ้าของยังอยู่จะให้ยังไงอย่างเงี้นเรารู้แล้วเดี๋ยวเราไปท่านแก้วเสร็นว่ารากราท่านดากับพระโชกกะลามไอ้นี่อะยอมมันอยู่ในตัวเราเนี่ยขอให้เราทำจามทางอาทิตย์ละ พอทํามะที่เนี่ยมันทำจริงแล้วมัได้หมดจากพวกนี้ไม่เกิดขึ้นเองไม่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเองอ่ตอนนี้เราเนี่ยทํายังไม่ถึงเ่ยไหมวันนึ่งมียี่สิบสี่โมงเนี่ยเราทําที่ยี่สิโมงมาถึงสี่สิบโมงแล้วใช่ไหมมันจะไม่เกิดความวิเศษมันอยู่ในตัวเราทํางนาทุกคอยมีทุกน์มาอย่างผู้ยิ่งมุ่งใจดีทุกทั้งนั้นแต่เราทํำไม่ถึงที่มันยึงไม่เกิดเหมือนข้าว ข้อสารเนี่ะเราผมยังไม่ถึงเที่ยงยังไม่ทันน้ำ ม, มันมาต่ายยกข้นมากินเ น, นี่ยยกมาเน่ยมันยังไม่ถึงที่มันที่จะกินได้ อ, อ่ะเนี่ยมาให้ฟังนะผมมาให้ฟังนี่เรื่องกรารไปบัตรอย่างนี้ถ้าหากมาได้สมาธิแล้วอะไรกไ็อยากเอาแค่นะั้นแต่ที่พูดมาเนี่ยแปดอย่างพนะี่ฮะเนี่ยมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางนิพพานมันเป็นของเล่นของนักบัตรเข้าใจไม้มของเล่นเนี่ย ของเล่นนี่เจอ๋อไม่ใช่ทางอไม่ใช่ต่างโลสีก่ก็ทําไดไ้ทำไมทํำไอ้จีตเป็นธรรมานี่ก็ทําได้เห็นไหมทุกคนไม่ว่าเพียงทําให้ทั้งนั้นเช่นครูบาอาจารย์เนี่ยรวมไปถามอ่ะท่านถามไหมพอวนาไป็นไงมัง่งใช่นไหมท่ามไม่เคยถามว่าทำบุญเป็นไงไม่เคยอ่ะเรื่องพอวนาเนี่สําคัญเนยเวลาทําบุญเนี่ยสร้างอะไรให้เต็มมวัฏฏิทายทั้งหมดสร้างวิเสร้างบ่สร้างอะไร ให้เต็มประเทศไทยสู้พอนาะไม่ได้หรอกให้ทำทายก็มีเงินจริงเหมืนอนโยมมีเสียตังเยอะๆ เ, เนี่อเสียตังกองเนี่ยจะสู้เงินแสนได้งไงเงี้แบงแบงพันๆตอนนี้คนเนี่ยชอบทำทานนะไอพ่อนะไม่ไม่เคยมีท่าเหล่รักษาศีลไม่เคยมีพ่อนาะไม่เคยีแหนทานเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งหัวลำบาก ถ้าจะได้ของมาทำทานลำบากหนึ่งเราจะต้องไปทํางานหาเงินมาหาเงินมาอยากไปซื้อของมาองแล้วมาถวายพระเนี่ย อ, อันนี้จะยากนะแต่รักษาศีลเองง่ายหน่อยที่ไปรักษาพรก็ได้หรือรับหรือสมาทานเองก็ได้ก็สมบูรณ์แต่พ่อไนยง่ายไม่ต้องนั่งพ่อไนยเลยไม่ต้องเสียงนอะไรไลย แ, แต่คนไม่อยากทำํำมันเป็นอะไรอาจาจะถามพวกโยมเนี่ย ของดีแต่ไม่คยมีใครสนใจแต่ว่าพออไรยอมมันไปถึงชั้นพรมเลยชั้นพรมอีกถึงนิพพานนะไปไม่กลับไปพอนาเนี่นนะต้องอาศัยการพอนาไอสมาธิ้มันแง่ชั้นพร ม, มเองไปไม่ได้โดยมากจะติดไอ้ไอ้อรธิ์แปดประการเนี่ยไม่ไปลนะนึกว่าสาเร็จแล้วใครมาก็รู้ขนาดัหนเหมือนฤาษีอ่ะาระที่ เธอสี่ทุกคนอ่ะที่จากผู้เจ้าปเรียนใช่ไหมมีอาจารย์สองคนอีกคนได้สมาบาร์เจ็ดอีกคนได้สมาบาร์แปดะเพราะว่ายังไม่เอาถ้าดอกไม่ใช่ทางต้องจริงมันไม่ใช่ทางหรอกมันไม่ ใ, ให้ไปนี่ผ่านม่นให้ระเพอนี้นั่นนะโอ้จะไปไหนก็ไปได้ทุกคนสบายมากแต่มันอยู่ในตัวเราคนทําไมเราไม่ท า, าให้เกิดขึ้นมีขึ้นน่อ่านมาจะถานพวกโยมเนี่ยทําให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเนี่ย อ, าอนามาถามครูบาอาจารย์มาอ่ า, าจารย์เราเคยคุยกับครูบอาจารย์ถึงตีสามอะไรอย่างนี้แล้าว่าท่านคุยให้เราฟังว่าคนนั้นตายไปแล้วไปเกิดในชั้นนั้น อ, อ เ, นเกิดเป็นเทวดาเกิดทั้นนั้นเราก็ฟังท่านเราก็เชื่อมัง่งเชื่อมั่งเพราะเราไม่เห็นเนี่ยอ่าไปเชื่อมัง่งตีสามอเอาให้นอนกันได้ว่าตีสามแลอวก็ พอนอนกันตอนนี้นอนไอเราก็เลยไปกุฏิสององล้วก็นั่งสมาธิเลยที่ยสามอเาเกวันคุมสีสามนมดแนั่งขัน ห, หน้าประธานตะวันออกอีกองนอนตรงเนี้กับเราเดี๋ยวเราบอกพรุ่งนี้ชเช้าจะไปถาอาจารย์ว่าเรากลับไปเราทําอะไรม้างถ้าอาจารย์รู้จรงิงมันเราจะเชื่อถ้าอาจารย์รู้จรงิงเรามาเชื่อที่คุยเหันหลังผ่ า, านหลังพอเราไปหันหนว่ามันคื่นดีนะอะ่ต่างใจดีนั่งสมาธิอเาเกวันคุมสีสามนหันหน้าประธานออก เออยังไม่การถามเราจอใถามทกำลังฝนงละมาอยู่นั่นราก็เลยบอก่าจอาจาย์ลุยไพอปท่านไปแล้วผมก็เลยอาจิตไปส่งดูกันเห็นเป็นกัน <c oughs> นี่อยอมถ้าจิตล้วเป็นสมาธินล้มันกวนเรื่องเงินทองเนี่ยมันไม่อยากได้เลยนะถ้าจิตจะเป็นสมาธิไม่เอาเดือยอ๋อแล้ว ย, วาายมจะว่างไงทอามาเพื่อฟัง สมาธิเนี่ยเหมือนของที่เลิกที่ตัวแต่ทำฮะพระเจ้าสงบเรื่อประกอบมันเรื่องของมันมีเรามีได้ที่ทําอย่างเดียวอ้าถึงเวลานาะยโยมมันเป็นเองมันจะเป็นไปเองเราห่างก็มาอยู่พ้าถึงเวลาถ้ามันจะ น, ะนั่นแล้วน้อเป็นเองเราอย่าไปคิดลนะใหเรานั่งสมาที่ไม่เห็นมันส ง, งบเลยัยงไม่ได้อย่าไปอย่าไปกันเราไม่ได้ที่ทําอไำเรื่องผลนั่นเรื่ององมันเหมือนเราปลูกมะม่วง เราปวูกวันนี้วันเนี้ยเราบันรดน้ำพรนดินหลรดน้ําไปใช่มหมเราปลูกวันนี้พรุ่งนี้ไปดูใหะมันให้มันไม่ขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวมันถึงเวลามันขึ้นเองมันออกมันเองเราไม่หน้าที่รดน้ำไปเราไม่หน้าที่ทําอย่างเดียวอย่าไปทิ้ดนมันจะออกมาเลยเพต้องเป็นเพราะอย่างนั้นอยงนั้นไม่ได้กอ้ยนั่นมันท้อยอมแล้วมันม่วงนอนขึ้นมาทั้งม่วงทั้งเพียทิ้บผ่านนะไม่อยากเอาเลยนะบอกโกงๆไม่อยากได้เลอยากจะนอนอย่างเดียวอไม่เชื่อลองดูก็ได้ ยึดพานไม่อยากเอา <c oughs> มันเมื่อยจริงๆนะอ๋อเมื่อยแต่การภาวนาเนี่ยมีหลักอย่างหนึ่งเรานั่งเนี่ยโหมันปวดบว ด, บวดถึงเยื่อนกระดูกเลยนั่งนั่นเรียกเวทนาใหญ่ถ้ายอมผ่านเวทนาใหญ่ไปได้นะไม่เบื่ไม่เมื่อยเลยแล้วมันไปถึงจิตที่จะไปสมาธิมันต้องผ่านเวทนาใหญ่ก่อนคนไหนผ่านได้ ร้อยคนหรือพันคนจะผ่านได้คนเดียวอพอผ่านได้แล้วมันไม่ปวดหรอกไม่ปวดไม่เหมือนเท่านั้นนะผ่านคล้ายๆกับว่าจะเข้าจะเข้าไปในนี่ยมันต้องผ่านผ่านเจ้าหน้าที่ผ่านชัดๆผ่า น, านข้อมีคนคุมอยู่ก็ไม่เข้ า, าไหนโอโอเพราะผ่านมาแล้วผ่านเวลาเสร็จแล้วตอนนี้มันจะมีน้เป็นนิมิตเกิดขึ้น มีปัญญามีไรโอ้โหเยอะไปหมดทำามเราเพลินน้นั้นะไม่ให้เราไปต่อตราที่ผ่านแปดไม่ได้ก็ต่แข็นั้นถ้าหากว่าได้ผ่านยาไปสนใจกับมันเราก็ต้องเอาจิตเนี่ยถอนจิตมาพิจารณาเรื่องตรารัก<ฮ>ถึงจะเข้าในผ่านได้ถ้าไม่ผ่านยรักไม่ได้แต่ก่อนจะผ่าญยรักนี่มันมีเครื่องรอมีวิชาแปดลอไม่ให้เราจยูนั้นแหลอยู่นี่ะอย่ า, าไปจะเป่าเพนะ้ินอยู่ตรงนัน ยอมเขาา้าใจในิเทวนวนเนี่ยเทนองกรรมฐานเือกี้เรีเทนปริยัตการเทศมีสองอย่างฉะ <c oughs> นั้นว่าอย่าลืมนะเราฝากโยมนะถ้าจอนนาพานนะเราเป็นเฉียดเจอรับศีนะเราเป็นเฉียดนะเดินหนียาไปนั่นกันนะเดินหนีนี่เขาเรียกอุปมาไอเท่นี้ทานอุปมา เอาปรมาวปไมให้โยมฟังอ่ามันจะมีฤทธิทนะ์อะอไรก็ทำมาเนาะจะมันนักแรงโตต่ละมันมนเองลกหนีไปมีไปเดี๋ยวัก็ไปเจอคู่ต่อสู้มันเองมันตายเองไม่เดี๋ยวตำรวจกระจับมันไปแล้วก็เดินหนีชโยมา้ฟัง <c oughs> อ้าวเอาไงเนี่ยนะอ่าเทมากเดี๋ยวโยงงมราคาไห่จะไปที่เื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับโยมก่อนเนี่ยคุณมาไม่เคยมาเทศนเนี่ยเคยคุยกโยมนะโยมมีสงสัยอะไรถามอะไรไมถ้ามีสงสัยเดี๋ยวเราจะถามพวกโยมมั้งอีท่านใดที่ปฏิบัติภาวนามีสงสัยก็ถามได้นะครับอ ไ, ไม่ต้องถามเรือนะ่องภาวนาถามเรื่องอะไรก็ได้ก็ถามว่าทำไมท่านถึงชื่อสําเรียนมาผมไม่เคยได้ยินคนชื่อไ ม, ไม่ใช่ชื่ออย่างแปลกถ้าก็ถามเนี่ยเนี่มันน่าจะถามนะอย่างนี้นะ ทำไมชื่อเยอะแยไม่ไปชื่อเพราช่อย่างนี้ใครก็ชื่อกันมน่าจะถามที่เจนะมน่าจะถามยงทำไมไม่ถามอ่ะฮะข้อใจไหมเนี่ยฮะมน่าจะถามงมันไม่ชื่ออย่างนั้นเปล่าทไมชื่อยะยะจไมไชื่ออือเอาี้มีคนถามเหมือนกันว่าทาไม ดวงตาชื่อสังเรือนนะครับอนั่นเถอะมันน่าจะถามต้องนานนะน อ, <c oughs> อะฮะไม่ใช่หมอสมอยู่ อ, อาจารย์คิดว่ายอมกลัวจะเสียเกียรติโจมมัง่งอย่ามาถาม <c oughs> เลยพูดให้ฟังนะชื่อเราอยู่ในมักแตกรู้ไหมน้องมักแตกข้อนะหนึ่ง เอาตามปฏิบัตินะไม่ใช่เอาเอาตามทือกเขียนนะหนึ่งสัมมาวาจาวาจาเจรจาชอบนะวาจาชอบแล้วสัมมากรรมันต์เลี้ยงชีวิตที่ไม่ผิดทางคือผิดทางคือในพวกความหมูความเป็ดความไก่ทำประมงเลี้ยงปลาวางปลานื้ ผิดสามสามมาจิวเลี้ยงทิต ท, ที่ชอบที่ไม่ผิดนีลทำถูกกฎหมายอันนี้เป็นศีลเดือนที่หนึ่งเป็นศีลน่ะเข้าใจไหมสองเดือนที่สองสามมาวายโมสามมาติสามาสมาธิอันนี้เป็นสา ม, มาธิความเพียนสี่อย่างเข้าใจไหมถึงสา ม, มาธิ สมสาสังปาสมสาธิอันนี้ปัญญาสินมสมาธิปัญญาไอเรือนสามอย่งนี้มันจะเรือนอย่างโยมเพราอยู่กันหนูคนที่ไม่มีเรือนอยู่มันจะจิตกรางรักขโมยเ้าพ่นข้อที่เา้าโกหกเขาทุกอย่างที่อยู่ในรังเรียกคนไม่มีเรือนอยู่อย่างพวกโยมไม่มีเรือนอยู่คือสินะไม่เป็นไรเนระาเขาใจไม่เรีนอนนี้ไม่ใช่เรียนนี่อยู่ที่อย่เข้าใจนะอะนี่พระตั้งให้ต้อ ง, องเราเกิด าขาอยายลักะนี้นะอีกอย่างหนึ่งถ้าจำยากเรือนที่หนึ่งอย่าทำชั่วเรือนที่สองให้ทำบุญเรือนที่สามทำกิตเพอผ่องใสเอาง่ายๆ่ายเห็นวัดสามเรือนมีที่อำเภอเชียนรายก็มีเขาใช่ว่าว่ดสามเรือนน่ามากเกินไปดูจะสงวนเหรอเขาหมายความอย่างนี้แต่ว่าคนอาจอาจจะไม่รู้ บอกว่าสามเดือนก็มีคลองสามเดือนก็มีข้ามาเคยไปเจออยู่แต่ก็เขียนว่าคลองสามเดือนนี้เลยแต่ว่าความหมายคนจะไม่เคยรู้เท่าไหร่เพื่อสิรสมาธิปัญญาน่ยไม่ทำเชื่อทำตาบุญทําจิตให้ฟองใส่ฉะนั้นง่ายง่ายบางทีคนเขาไม่ทำไหอาจารย์เชื่อแปลงบอกไม่แปลงเกินนี่แปลงแกไม่รู้เรื่องเลยมีใครจะถามอะไรอีกมั้ย นี่ใจจะทาอะไรนะครับทำไมไมถามเรื่องราคาบ้างนะเดี๋ยวเราถามอื่งไม่มีใช่ไหมเราคนเดียวนี่คนเราเกิดมาจนตายพูดเี่ล้านคำมากนะครับนี่นักปฏิบัติทาทั้งนั้นโอ้ย ท้งหลายคนละคนเดียวคนเราเกิดมาจนตายพูดกี่ล้านคำเยอะจำไม่ได้นะครับที่อาณามัถามโยมคนฉาลาดเนี่ยต้องถามเรื่องไง่ามันตอบไม่ได้หรอกคนโง่ ย, ยังตอบได้ไม่รู้เหรอฮะ คือพูดสองคำคำจริงคำไม่จริงเท่านั้นจำไว้ไปดูเรียนสิห้าสิห้าสี่สี่ข้อเป็นคําไม่จริงทั้งนั้นนะสีสสส่ข้อเป็นคําจริ ง, ง, นน ค, ำรงคำไม่จริงแค่นั้นจริงหรือเปล่าไปดูเลยในสิห้าเขามีบอกอยู่ธรรมายอบอกไม่รู้เปล่า <c oughs> <c oughs> ธรรมาบอกไม่รู้นี่ก็ว่าคนฉลาดถามมันยังไงๆมันไม่รูม้มันลืมหมดมองไปมันคลายม มีอะไรเ็บอพอดีเขาเขียนถามมาครับหลวงตาว่ากราบธรรัตการหลวงตาครับปกติเวลาภาวนาจะสงบแต่ระยะหลังมันจะปรากฏในจิตเป็นรูปภาพและนึกคิดจึงพยายามนำสติจับรู้ตามมันดับแต่มันจะแปบแป๊บมาเรื่อยๆจะแก้ไขอย่างไรครับ แต่เราก็ไม่ฉันนักการภาวนาในบางกรุงเราเนี่ยไม่ใช่นักภานะว น, น, นานะแต่เราพูดได้อธิบายได้บ้างแต่ไม่ใช่ภาวนาะการภาวนาเนี่ยเขาบอกวอ่ายาทรงจิตไปออกน้ากายิดาดมันจะเปินนิมิตถ้าเราไปส่งมานี้เป็นกรรมมาเยี่ยมเราอย่าไปสนใจมันอ่าอันนี้มันไม่เกี่ย่แ่หนึ่งให้เราเผยอ่า ให้เราเป๋ ย, ยาไปถอนใจถ้าจิตใจเราสงบ ม, มันจะมีนิมิตมาตลอดอะมันจะมีมิตมาไม่ใครแต่นะั้น ม, มันบอกให้อย่าพิ่งไปมันรั่วเราจะไปในทันทีอไอ้มานว่ายห้ไปมามาดูนี่ดีกว่าอ่ามาดูนี่เปล่าเพอร์ดีแสดงว่าถ้าพยายามนําสติจับรู้แสดงว่าส่งจิตออกนอกแล้วหรือครับจิตยาออกนอกในฌานออกนอกไปเจออย่างนี้แหละ ให้ให้อยู่ในในกายารเกสรรวมมานะคดันตาจะโจอาการในสองเราเนี่ให้เป็นอย่างนี้เพ่งใยญ่ใหให้มันมีช่องว่างอย่าให้นิมิตมาแทรกใดเลยนะนี่ธรรมดาอันนี้เป็นปกติถ้าจิตจะเริ่มส่วนมันเอาละอันหนุนม้เนี่มาเนก็คือให้สติหรือจิตมาอยู่กับกายตลอดเวลาใช่ ถ้าถ้าเผือนเข้ามาเลยอย่างนี้มิดนึงมันจะให้เราเหนไงสนใจกับมันมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครมันเป็นอย่างนี้ทุกคนบางทีเนี่ยอันนี้มิดยมมันพาเราไปโน่นไปหาพระเจ้าไปคุยพระเจ้าเลยนะอ๋จะคุยกันเลยกับพระเจ้าไปคุยพระเจ้าเลยไปหาใครได้ทางนั้นโน่นบางบางทีไปใต้ดินไปเงินราไปได้ไปสวรรค์ก็ไปได้ มจากตงนั้นอันนี้อันนี้เป็นถึงขนาดนี้นะโยมพ่อไม่ได้ข้าก็ว่าก่นอนภารนาระบ้าย เ, เคยมีไหมเคยอันนี้ไม่เนี้ยมันตอแรกก็อนอะแรกก็จริงหมด่ะจริงหมดทั้งอย่างถ้าเราเชื่อมั น, นพลิกปั๊บเลยพลิกปั๊บเป็นไม่จริงได้ที่วิ ป, ปรารถันพลิกปั๊บเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้น เขาบอกเกียร์ส่งกิตไปออกนอกกายให้อยู่ในกายให้พิจารณาเรื่องกายเกสาร่วม า, เ, าเล็บฝันไส้สี่อะไรเนะี่ยมาทั้งหมดมีอาการสารสองใช่ไหมนั่นนะอย่าไปออกนอกกายไม่ไดนะ้เพราะเรายังไม่ชำนานอาถ้าชำนานแล้ไปได้ใครหลอกไม่ได้ยังร้เมียใครหลอกไม่ได้ไปนอกบ้านก็ได้คนจะหลอกเราก็รู้เนี่ยถ้าเด็กๆไม่ได้เดี๋ยวใครหลอกไปพ่อยอมชำนานไใช่ไหม ถ้าใครหลอกฉันเน่มึงพูดมากูรู้แนละ้วมึงอย่ามาหลอกกอูกูรู้แนละ้เวเหมือนกับว่าอ่าเขามาว่าคนที่ที่ทาที่เอาที่ทาทองตกอะไรตกกมาใส่ทองแก้บอกกเทงมาแรกนะอันนี้ อ, อย่าโยนเฮ้ยกูรู้แนละ้วมึงอย่ามาหลอกกนะูอากูไม่ตาอันนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นอย่างนั้นอย่อุบมาให้ฟังนะให้เห็นง่า ย, ายอืม เรียกว่าจะหลอกแล้วก็แต่ยอมกูรู้แล้วเฮ้ยมันหลอกูรู้แล้วมึงไปกูไม่ไปคบกับมึงแล้วแต่งานเรื่องนี้พันก็เหมือนกันการทําความดีอ่ะมันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นถ้าไม่มีอย่างงี้อ่ะมีบางทีก็มีเรื่องมีลาอะไรกันโอ้โหบางทีคนคุยกันทอกกันบางทีอะไรเดี๋ยวมึก็กด่าเราอ่ะอ่ามันถ้าที่เราพงบางทีก็ว่าเรามุนที่เราไม่ดีๆก็ว่าเราเป็นยันงั้นมั่งหมายมันเยอะจริงๆไม่นานว่าที่อยู่เฉยๆนี่แหะ อยู่ที่แตนี่นะถึงมันมีคนมาว่าเราอะไรเราเนี่ยมันไม่ใช่นี้เป็นอย่างเดียวนะก็มันมีเอกพระญาณธรมาเนี่ยเราก็พอน้ำไปทั้งหมดแล้วนะ ป, รประมาณสามสิกว่าปีก็ขึ้นทาวัดสมวนทีทุ่มชื่ทุ่ ม, มไปดูหมาพอนอนหลับแล้ว เราก็หนีหมาหมเราลเลี้ยงไหมสิบตัวนอนหลับล้าก็ไปพานาที่โบสถก็อธิฐานว่าเราภานาะถึงเขี่ยงคืนถ้าไม่เขี่ยงคืนเราจะไม่เลิกมมมห ม, กม อ, ออย่างนั้นในบสถ์วนาไปได้สักชั่วโมงโหจะนี้ไนหนๆหมามันมันตื่นขึ้นมามันดนกินมันตามโอ้มันเห็นระบบกายเดียวตะกวลหูเลยรูบบตากาศล่องใหญ่แล้วก็ตายจากก็ถังมันโอ้โหออย่างนั้น ไม่ต้องกระเดินแขนเราหาเลยอเราตั้งสาจังอยู่อย่างนั้นเราจะไปโกรธไปยังไงอ่ะกรหมาเราเลี้ยงมันไอ่ะจะไปตีไปยังไงเราถามยัไงไนโอ้โหมันเลียวโถทักหกเจตัวบรรกาศขึ้นหัวมนเลยดูเฮออไม่เป็นยังไงไหมอมเรื่องอเรื่องทำความดีมิตรเราทำไม่ได้คุคิดว่าเราด้พูดได้ท่นนะอ่ะเราทำไมได้ แต่บางคนเขาพอนานสี่ห้าปีเขาพูดไม่ได้แต่ก็ททำได้เขาสามารถจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นโรคอะไรเป็นกรรมอะไรเกิดมาเขารู้หมดเขาสามารถจะรู้ด้วยแล้วคนเนี่ยบางทีก็ไปเห็นพระคนหนึ่งโอ้ย เป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเนี่ยเพป็นมะเรียงไม่ได้เราค่อยกำหนดดูเพราะว่าพาเนี่ยสมั้ก่อนนี่เป็นคนแต่นคนขี้เมาไปกินเหล้ากันห้าคนคนเดึกกล้าเด็กเดึกกล้าไม่มีกราเนี่ยว่าไอ้งัวมันอยู่เนี่นห้องข้ามันป่วยนอนอย่างงันพราะก้อ น, นแล่เนื้อวัวกำลังป่วยลูกก็ไม่ได้ไมาญาติกินเนะ่ยเขาเนี่เป็นอย่างนี้รล้วคนข้บอกให้ทําหให้งานอาจจะหายแก่เนี่สมัยก่อนเป็นอย่างงั้น พอทำแก็หายกินหายเลยเดินได้กก็ดเขาเป็นคาราวานนะไม่ใช่เป็นผ้าหรอกไม่ผ้าวา่าคื อ, อไอ้อย่างเงี้ยอันนี้เม็ดยังกระจิงมัง่งกระจิงมั่งจะไปเชื่อนั่งไม่ได้หรอกกระจิงมัง่งกระจิงมังมมม่งไปเน ช, ชื่อมันนั่ไม่ได้ตอนแรกกระจิงละถ้ามาเชื่อมอะไรมาชึบน่ราเชื่อมันมาึมันนันต้องรักันเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็อาจารย์องอื่นธ่ามาเทศเรื่องอะไรเลยเรื่องอะไรบ้างเราก็ไม่เคยฟังท่านมาเทศที่นี่ก็จะหลายหลายอย่างอ่ะครับก็จะหลายอย่างเรื่องการดับกิเลสเรื่องทุกข์เรื่องการใช้ชีวิตไม่ให้เป็นทุกข์เรื่องการปฏิบัติมีแล้วแล้วแต่องค์ท่านนะครับไอไอการ พรกเลส่การปฏิัตอย่าโยมามาชอบเพลิด่างตอน ต, ต, ต, ต, ต้นนะตนตอนต้นเช่นว่าลนจะไปไหนต้องเดินมาที้าเนมจะเดิ น, นือนถึงที่ไหนกาเปฏิบัตินี่มันต้องหนึ่งต้องทำสิ่งไรเบื้อก่อนทำเบแล้วเป็นสมาธิมันก็ไปเอายอดเลยเ น, นี่ย้เดือนเดินถึงที่ไหนนจะไปไหนเก้เดือนถึงว่าเืไม่ถึง้องเดินไป เ, เถึงเอง ตอ น, น, น, น, น, น, นก้นนนกนาวเกองเก้าสามอ่เรยมาถึงนี่เราจดีวลกันถึงเองรถยนต์ยังมกันเครื่องบินไมนกันประชาธิเดียวถึงขึ้นไหมันต้องใช้เวลาบางคนแไมเห็นสในวันนี้ก้าวไกมองวันนี้จะเอาผลพวกนี้ได้อย่างไรไม่ได้ถ้าไม่บรู้ใุในชานี้ก็ชาหนา้ากันเม่ชาห น, น้ช า, นาชานนตนนจต่อไปมันต้องทั้งชาติหนึ่งทา้งเราทำเพราะความดีเราทำมันไม่สูไม่ไหนมันอยู่ในตัวเรา เขาสวมไห้ยหรอกมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขงาสมไว้ครับก็เดี๋ยวข อ, อกาดหลวงตานะครับพอดีที่วัดโสกราห์มาครับตอนนี้กำลังสร้างโรงเก็บน้ำสำรองทาวรนะครับซึ่ง เแ่งจากวัอดอโศกกรมนามมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของวัดนะครับซึ่งอยู่ติดทะเลซึ่งปัจจุบันมีพระพิษุประมาณ200สองร้อยลูกสงรอยลูกมีแม่ชีเกือบเกือบร้อยซึ่งน้ำในการผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยซึ่งถังวัดก็จะต้องมีถังสำรองน้ำขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมทาบุญช่าง ถังเก็บน้ำสำรองให้ได้มาตรฐานนะครับต่อขอโอกาสร่มบุญกับทางหลวงปู่แล้วก็วัดอโศการามด้วยนะครับแล้วก็หลวงปู่ได้เล่าว่ า, าที่วัดอโศการามนะครับตั้งแต่หลวงปู่มาก็จะซื้อที่รอบๆวัดนะครับเพื่อเป็นการตั้นหมู่บ้านไม่ให้ทุกล้ำเข้ามาก็จะทำมาตลอดหลวงปู่ก็ได้ ภูมิาร่วมบุญก็ได้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่นะครับเพราะว่ า, าหลายๆวัดในกรุงเทพแลครับพอนานๆเข้าจะมีหมู่บ้านเข้ามาประชิตวัดก็จะทำให้ไม่สงบหรือว่าจะมีปัญหาต่อกันอะไรเงี้ยครับนะโมตัชะนาควะโตอะระหตัตโตสัมมาสัมพุทธะ นาโ ม, ม, ม, ม, มตัสตาาตสะภะคะวะโตอะระหะโตสม ม, สมสาสมปุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะอิมานิมยังันเตมานิยังพันเตติจีวารานิติจีวรานิปริวารานิชปริวารานิ ศีลวะวนตัดสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลลวาอิมานิติจีวรานิชาปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังปิตายะ สุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ er ข้าพเจ้าทั้งหลายอขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้าานแต่ท่านผู้ทรงศี ล, อศลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับ ผ้าไตรจีวรขับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและขอแผ่ส่วนดุมส่วนกุศแล แ, แต่เปียชนญาติทั้งหลา ย, ย, าลายอันมีบิดามารดาผูาาา้ประชาอาจารย์พร้าอมทั้งเทพยายดาเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เป็นอุบนิสัยเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แจ้งสั้นมาผลนิพพานด้วยเถิดสาธวยปัจจัยกันเทษ ใช่พอนะยะทาววาริวะฮาปุราปาริเปเรนเิสักหลังเอวะเมวะอิโตยนังเปตะนังโอปะขปะีอิจิตังปิติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิชะตุ สันเบริปุริโตตั้งขปาจันดูปันราโุยาธามนีจดิเลสขยาธมสกิจิโยวัชันตุสปรโรโคเมตุมาติวันตรายุคิดีคาโยโกภาวสี่ยุสันนิจังวุฒาไปยาจัตตาโรธรรมวัตตานีอายุวันโนสุขัางพะลังย่อแเป พอนสีประการอภิว า, าชนาศีลสัตว์นิจังวุฒาปยจัตตารโรธรรมวัตตานติอายุอโนธุขังพลังข้ามบอกว่าบุคคลผู้มีปกติอ่อนน้อมกราบไหวเปนนิสอ่อนน้อตแต่เพือ่อเปนนิดพอนสีประการคืออายุวโนะาุคาอายุนั้นขอให้ท่านจึงมีอายุมั่นยินยาวราสักร้อยี่สิบปีพอหพอ แล้วมีร่างกายแข็งแรงเหมือนคนอายุยี่สิบปี <c oughs> นี่พรชีพการอายุนะวันนั้นขอท่านจงมีสีสันผุดพองทั่วสตรีร่างกายถึงไม่ได้ตกแต่งก็เป็นที่เจริญใจเจริญตาแก่ผู้ที่ทัศนาเห็นผิวพรรณดีนะ่ <c oughs> ทุกขานั้นขอท่านจงมีความสุขทุกวี่ทุกวันอย่าได้รู้สินเลยสิ่งความสุขนะพระกาลังนั้นขอท่านจงมีกำลังกายดังพย า, าราชสีอีกทั้งปัญญาและาทีก็ให้มีความสามารถปาดเครืองในอธรรมแม้ผู้ใดใครข้องขัดในธรรมก็ให้สามารถรู้วิปีชา อีกทั้งปัญญาอีกทั้งอีกทั้งราบนั้นขอท่านจงมีชอบสินนั้นคณนานับนับไม่ได้แก้วแหวนเงินทองช้างมาโคกระบือรถเบนบีเอ็มบนโกตร์ด้าโฟเช่อกองจดดวงดาวเงินทองอาากองสมจดดวงดาวนะั้ ถ้าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบไปทาขอองค์พระจบพรที่ประการที่สมเด็จพระสัมมาจ้าทรงสารเถรนี้ขอจงมาจะจิตตถาพรมั่นคงดำรงในครอบครัข ว, ข, วของท่านทุกเมื่อเทินมา